พระบัญญัติ543ก็ภิกษุผู้จะทำภาพน้ำฝนพึงทำให้ได้ขนาดขนาดในข้อนั้นคือยาวหกคืบกว้างสองคืบครึ่งโดยคืบสุขคตทำให้เกินขนาดนั้นต้องอบัดปายจิตีที่ชื่อว่าเชตนกะเรื่องพระชกขีจบ